เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสศุบาสิกาผู้ใฝ่ทราทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสุดร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมัะสวนาวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระอกุศลเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดอากุศลนี้แปลว่าไม่ฉลาด หรือโง่เขาเบาปัญญาคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ว่าการกระทําของตนนั้นเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งผลต่างๆที่มีทั้งผลดีและผลไม่ดีเหตุของผลดีก็คือกุศลกรรมต่างๆการกระทําด้วยความฉลาดความรู้ ว่าทำแล้วจะทำให้เกิดความสุขความเจริญเรียกว่ากุศลส่วนอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดคือไม่รู้ว่าการกระทำนี้จะนำมาซึ่งผลอย่างไรการกระามที่พระพุทธเจ้าสงสัว่าเป็นอกุศลคือทำแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่กลับเกิดโทษ แก่ผู้กระทำมีอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่าอากุศลสิบมีอากุศลทางกายสอากุศลทางวาจาสและอากุศลทางใจสรวมกันเป็นสิบเป็นอากุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามละกันให้ได้ พยายามชำระออกจากกายวาจาใจเพื่อที่ใจจะได้มีแต่ความสุขความเจริญอกุศลณทางกายก็มีอยู่สามข้อคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดโปรเวณนีการกระทำทั้งสามนี้ทำไปแล้วจะนำโทษมาให้แก่ผู้กระทำ คือใจของผู้กระทำจะไม่สงบจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะวิตกกังวลและเวลาที่ตายจากโรงนี้ไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือการกระทำที่เรียกว่าอากุศลสามประการการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพุติผิดโระเวณี เราจึงมาละเว้นกันในวันนี้อย่างเมื่อกี้ญาติโยมก็ได้สมาทานสีหน้าสีหน้าก็คือละเว้นการกระทอาอกุศลทางกายและทางวาจาทางกายก็คือข้อที่หนึ่งจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองจะละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่นข้อที่สา จะละเว้นจากการประพฤติผิดโปรวนีนี่คือวิธีแก้อกุสลวิธีที่จะชำระอกุสลให้ออกไปจากทางร่างกายจากการจากการกระทำทางร่างกายของพวกเราถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะชำระอกุสนทั้งสาข้อนี้ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะกระทา ขอให้เราคิดอย่างดีก็แล้วกันว่าชีวิตของใครก็ใครก็รักกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะสูญเสียชีวิตของตนไปไม่มีใครอยากจะไปเป็นอาหารให้แก่ผู้คนบางคนนี้คิดเข้าข้างตัวเองเวลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็คิดว่าฆ่าเพื่อที่จะได้มากินเป็นอาหารแล้วก็ไปคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อให้เรา กินเขาเป็นอาหารความจริงไม่มีใครอยากจะเป็นอาหารของใครถ้าเกิดมีเสือมันมาข อ, อกินร่างกายเราบ้างเราจะว่าอย่างไรเสือมันก็บอกว่าร่างกายของเราี่เกิดมาเพื่อให้มันกินเราก็ไม่อยากจะให้มันกินเราก็จะทุกข์ทรมานใจเวลาเห็นเสือแต่ละครั้งนี่ใจสั่นไปหมดฉันใด พวกหมูเห็ดเป็ดไก่เวลาเห็นพวกเรามันก็ใจสั่นไปหมดโดยเฉพาะพวกที่ไม่มีสีนี่มันกลัวมากเพราะว่ามันจะไปทำให้มันจะต้องตายกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ผู้อื่นเข้ามาฆ่าเราไปทำเป็นอาหารเราก็อย่าไปฆ่าสัตว์เพื่อไปเอามาทำเป็นอาหารถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็รอให้มันตายก่อน หรือไปเดินตามตลาดตามร้านขายซุเปอร์มาร์เก็ตต่างๆถ้าเขามีไก่ตายเป็ดตายหมูตายชำแหละไว้แล้วอันนี้เอามากินไม่บากเพราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าและเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าห้ามสั่งด้วยเช่นอย่าไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวถ้าเราเป็นพ่อค้าขายข้ามันไก่เราต้องสั่ง ถ้าสั่งแล้วก็เท่ากับว่าเป็นการกระทําบาปเหมือนกับคนที่ฆ่าท่านบอกว่าฆ่าเองก็ดีสั่งให้พูดฆ่าก็ดีเป็นบาปเท่ากันมีโทษเท่ากันถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็จงไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วอย่าไปตามร้านอาหารที่มีบ่อบปลาแล้วก็ชี้เอาตัวนั้นตัวนี้ อันนี้คิดถึงว่าถ้าเราเป็นปลาบ้างจะเราจะรู้สึกอยงไวันนี้เราจะได้เป็นอาหารของคนอื่นแล้วมีใครอยากจะเป็นอาหารของคนอื่นบ้างให้คิดอย่างนี้ให้พวกปลาที่มาเป็นอาหารของคนอื่นก็เพราะชาติก่อนมันไปกินปลาในอ่างในอ่างนะัตามงานอาหารนั่นเองพอมันตายไปเลยต้องกลับมาเกิดเป็นปลาให้เขาชี้บ้างถ้าเราไม่อยากจะให้เขาชี้เรา เพื่อที่จะเอาเราไปฆ่าเป็นอาหารเราก็อย่าไปชี้สัตว่าจะเอาตัวนั้นเอาตัวนี้มากินโกงกรรมกงเกวียนนี่คือกฎแห่งกรรมทำอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฆ่าเขาก็จะต้องถูกเขามาฆ่าเราถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะไม่ฆ่าเราให้คิดอย่างนี้คนที่จะละอกุศลได้ ต้องมีความกลัวบาปต้องรู้ว่ามีโทษตามมาถ้าคิดว่าไม่มีโทษตามมาก็จะไม่กลัวบาปกันแต่มันมีโทษไม่ว่าบาหรือบุญมีมีโทษมีผลเหมือนกันมีผลทั้งนั้นทำบาปก็มีโทษทำบุญก็มีคุณดังนั้นพระเจ้าจึงสอนว่าอย่าทาบาป ถ้าเราไม่อยากจะต้องไปรับผลบาปพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้ว่าจะทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลบากละบุญนั้นนะดังนั้นถ้าเราจะต้องอดตายเพราะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ยอมอดตายดีกว่าเพราะว่าเกิดมาอย่างไงก็ต้องตาย จะอิ่มตายหรืออดตายมันก็ตายเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าถ้าอิ่มตายด้วยการฆ่าชีวิตของผู้ตายไปจะต้องไปรับโทษจะต้องไปเกิดในอบายจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราฆ่าเพื่อให้เขามาฆ่าเราอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเรายอมอดตายเราไม่ต้องไปรับผลบาลดังที่เมื่อกี้นี้เราขอศีน สีลห้านี้ท่านก็บอกว่ามีอ น, นิสงส์สามประการด้วยกันคือหนึ่งสี่เลนะสุขติยาณติผู้ที่มีสีลห้านี้ย่อมไปเกิดในสุขติเวลาตายไปแล้วไม่ไปอบายไปสู่สุขติไปสู่ที่ชอบที่ชอบพวกเรามักจะให้พรคนตายกันเสมอว่าอขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะ นะแต่การให้พรนี้ไม่สามารถส่งให้ผู้ตายไปสู่ที่ชอบได้ถ้าเขาทำบาปการที่เขาจะไปสู่ที่ชอบได้เขาต้องรักษาศีลห้าให้ได้เขาถึงจะไม่ไปเกิดในอบายเขาจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบได้คือถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าได้ทำบุญ ก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วิเศษกว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของเหตุของผลเหตุคือการกระทาําทางกายสาประการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีตายไปก็จะต้อง ไปรับผลบาทในอาบายขณะแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมามาใช้กรรมใหม่ถ้าไปประพฤติผิดประเวณีไปมีชู้กับสามีภรรยาของผู้ต่อไปเวลาตนเองมีสามีภรรยาก็จะมีชู้เหมือนกับที่เราไปทำกับเขามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร ถ้าไปลักไปโกงทรัพย์ของผู้อนมาเวลาเรามีทรัพย์เราก็จะถูกเขามาโกงเากลับคืนไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยญาณวิเศษเห็นด้วยพระปัญญาอัญฉละแหลมคมจึงนำเอามาสั่งสอนพวกเราด้วยความเมตตาด้วยความสงสารเพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอด ทำอะไรไปโดยไม่รู้ว่าจะมีโทษหรือมีคุณตามมาส่วนใหญ่ก็มักจะไปทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะว่ามันง่ายเวลาอยากได้อะไรนี้ไม่มีเงินก็ไปลักขโมยมันก็ได้เงินมาแล้วถ้าไปทำงานทำการกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งก็เหนื่อยยากสู้ไปลักขโมยไม่ได้ ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามชำระอกุศลทางกายทั้งสามประการนี้ด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ส่วนอกุศลทางวาจานี้ก็มีอยู่สข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการพูดปดไม่พูดความจริงข้อที่สองก็คือพูดคำหยาบไม่พูดคำสุภาพข้อที่สพูดเพ้อเจ้อ พูดแบบไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์และข้อที่สพูดส่อเสียดเพื่อพูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดแต่ความแตกสามขคียุยงให้สามีภรรยาโกรธกันเกลียดกันยุยงให้พี่น้องโกรธกันเกลียดกันยุยงให้ประชาชนในประเทศชาติทะเลาะบอกแวงโกรธเกลียดกันการพูดแบบนี้ไม่นำมาเส่งความประโยชน์ เพราะนำมาสู่ความเสียหายนำมาสู่ความแตกแยกนี่คือการพูดสี่ข้อที่เราไม่ควรพูดเพราะพูดแล้วจะทำให้เรานี้เป็นคนไม่น่าเชื่อถือไม่น่านับถือถ้าเราพูดปทดนี้ต่อไปเราพูดอะไรไม่มีคนก็อยากจะเชื่อถือเพราะเชื่อไม่ได้พูดอย่างแล้วก็ทำอย่างพูดว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ พอถึงเวลาก็ไม่ทาเช่นวันนี้มาบอกพระว่าจะรักษาศีลห้าพอออกไปจากวัดก็ไปตบยุงไปตีมดไปฆ่าเป็ดฆ่ากามาทำเป็นอาหารอย่างนี้ก็เรียกว่าโกหกพระโกหกพระพุทธเจ้าอย่ากโกหกพระพุทธเจ้าถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็อย่าไปสมาทานบางทีคนสมาทานเพื่อเอาหน้าเอาตาเท่านั้นเอง เวลาใครเขาขอศีลก็ขอตามเขาทั้งๆที่ทไม่มีความตั้งใจที่จะเอาไปรักษาอย่าไปขอนั่งเฉยๆไม่ต้องพูดเวลาเขาว่าปาณาอาณปาณาติปาตาเวรามณีเราก็ไม่ต้องพูดตามเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจจะรักษาก็อย่าอย่าทำผิดตั้งแต่ยังไม่ได้รักษาศีลเลยการโกหกนี่ก็ผิดแล้ว การไม่มีความตั้งใจที่จะรักษาขอให้เรารักษาเพราะเรามีหิริมีความอับอายมีโอตระปมีความกลัวของผลบาปที่จะทา ม, มาถ้าเรารู้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะต้องรับผลเราจะไม่กล้าทากันเช่นถ้าเรารู้ว่าถ้าเอามือไปไว้ในกองไฟอย่างนี้เราจะรู้ว่ามันจะถูกไฟไหม้ เราจะไม่กล้าเอามือเราเข้าไปในกล่องไฟฉันใดขอให้เราเชื่อว่าการกระทำบาปของเรานี้ก็เหมือนกับเอาตัวเราเข้าไปเผาในกล่องไฟเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเรายังไม่รู้เมื่อเรายังไม่รู้เราก็ต้องเชื่อคนที่รู้ก่อนคือต้องเชื่อพระพุทธเจา้าอย่าไปทําตามอย่าไปฝืนคําสอนของพระพุทธเจา้า ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะปลอดภัยจะไปได้ดิบได้ดีจะไปสู่สุคติจะไปไปเกิดบนสวรรค์จะไปเป็นเทพเป็นพรหมจะไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะต้องไปเกิดในอบายกันขณะที่มีชีวิตอยู่ก็อยู่แบบ หวาดกลัวต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นขอให้เราเชื่อพระตัเจ้าแล้วขยามาชำระอกุศลทางกายสาข้อทางวาจาสี่ข้ออย่าพูดปดอย่าพูดคำหยาบเพราะคำหยาบนี้เป็นเหมือนขยะไม่มีใครหยาบได้ เวลาเราพูดคำหยาบนี้เหมือนเราเอาขยะให้คนอื่นเขาไม่มีใครเขาอยากจะฟังคำหยาบ ก, กันมันทำให้เรากลายเป็นคนต่าต้อยไปวันเหล่านี้เวลาเราจะดูคุณภาพของคนวัดคนว่าสูงหรือต่งนี้เขาก็ดูที่คำพูดของเรานี่แหละว่าเราพูดจริงหรือไม่จริงเราพูดคำสุภาพหรือเราเขาพูดคำหยา คำหยาบนี้มักจะพูดกันในหมู่ของคนต่ำต้อยของพวกขอทานของพวกยาจบของพวกคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการไม่มีคนสังสอนนี่คือจะทำให้เรานี้กลายเป็นคนที่ไม่มีคนเข้าอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราอยากจะเข้าสังคมกับคนดีเราต้องพูดความจริง เราต้องพูดกว่าจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเคยพูดเรื่องไรสาระเช่นเรื่องดินทากาเลเหมือนเทน้ำพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็พูดไปถึงแม้ใจจริงก็ไม่ควรพูดท่านบอกว่าความชื่อของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของเขา เราไม่ต้องไปประจานความชั่วของคนอื่นมันจะทำให้เราสร้างศัตรูขึ้นมาโดยใช่เหตุคนที่เขาถูกประจานเขาก็จะโกรธจะเกลียดเราจะอาฆาตพยาบาดเราถ้าจะพูดก็ต้องมีเหตุมีผลจริงๆเช่นถ้าเรามีคนเข้ามาถามว่าคนนี้เป็นอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราก็บอกเขาไปได้ แต่ถ้าไม่มีคนมาถามเราเราอย่าไปพูดไม่ดีเก็บไว้ในใจเราดีกว่าปลอดภัยกว่าให้พูดแต่สิ่งที่ดีพูดแล้วมีเกิดคนมีประโยชน์พูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องวิชาการต่างๆพูดแล้วจะทำให้คนฟัง น, นี้ได้ความรู้ mm hmm. เช่นพูดเรื่องวิธีทากับข้าวกับปลาพูดเรื่องบัก ตัดเสื้อผ้าพูดเรื่องรักษาพยาบาลพูดอะไรก็ได้ที่พูดไปแล้วมันมีประโยชน์อย่าไปพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และมีโทษไปนินทาการเลยไปว่าคนนั้นคนนี้ลับหลังเขาไปแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาไม่มีความเชื่อทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจริงเท็จอย่างไร อันนี้อยากไปพูดอย่าพูดนินทาการเลยอย่าพูดพูดเรื่องไร้สาระพูดเรื่องที่มีประโยชน์พูดที่เกี่ยวกับวิชาความรู้พูดเรื่องธรรมะเนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดแต่ธรรมะอย่างเดียว8ปดหนสี่พันธรรมะขันนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่เป็นคําพูดที่มีคนมีค่ามากผู้ใดได้อ่านแล้ว ถ้านำเอาไปปฏิบัติได้จะได้รับคุณค่ามากกว่าเพชรนินจินดามากกว่ากองเงินกองทองเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้จะทำให้ผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าเราพูดเรื่องที่มีคนมีประโยชน์คนฟังเขาก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเคารพ อย่างญาติโยมมาวาัดกันมาเพื่อมาฟังทำกันฟังแล้วก็เอาไปใช้ใช้แล้วก็ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ใช้แล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมีความสงบนี่คือเรื่องของการพูดอย่าพูดเพื่อจะให้พูดให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีก็อย่าพูด ข้อที่สให้อย่าพูดเรื่องการยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันอย่าไปยุให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันอย่าไปยุให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันอย่าไปยุให้คนทำงานในบริษัทแตกแยกกันพูดเพื่อประสานความรักความสามัคคีกันเพราะว่าสังคมจะอยู่กันได้อย่างมีความมั่นคง ต้องอยู่ด้วยความรักกันสามัคคีกันถ้ามีความผิดอะไรก็ให้รู้จักให้อภัยกันถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดก็พูดกันเพื่อด้วยเหตุด้วยผลเช่นถ้ามีบุคคลในครอบครัวหรือในสังคมมีการประพฤติที่ไม่ดีถ้าปล่อยให้พูดไปหรือกระทำไปแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ แกครอบครัวกับสังคมนี้ก็ต้องเรียกมาคุยกันมาอธิบายว่าพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ดีจะทาให้เกิดความเสียหายตามมาขอให้เลิกพูดเลิกกระทาถ้าไม่ยอมก็ต้องขอเชิญให้ออกไปจากสังคมที่เขาอยู่ด้วยทำงานที่บริษัทถ้าชอบขโมยชอบขี้เกียจชอบหลบเวลาทำงาน เอาเวลาทำงานไปนั่งกินกาแฟไปอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าอย่างนี้เจ้าของกิจการก็ต้องมาพูดแล้วปล่อยให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการพูดเพื่อให้แตกแยกพูดเพื่อเป็นการรักษาสังคมวงการให้อยู่เป็นเป็นสุขให้อยู่อย่างเจริญก้าวหน้า ถ้าจะพูดให้พูดเพื่อให้เกิดความสามัคคีให้รักกันถ้าไม่ชอบกันก็ให้อภัยกันมีบทสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าให้สมวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงกันเช่นเราชอบสีเหลืองเขาชอบสีแดงก็อย่ามาเถียงกันปล่อยไว้คุณชอบสีเหลืองคุณก็ไปซื้อสีเหลืองมาใส่คุณชอบสีแดงคุณก็ไปซื้อสีแดงมาใส่ แต่ไม่ต้องมาโกรธมาเกลียดกันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะชอบบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบดำถ้าตามใดการชอบของคุณไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราอยู่ร่วมกันได้อย่ามาเถียงกันในเรื่องที่เราไม่เห็นตรงกันเอามาเรื่องที่เราเห็นตรงกันดีกว่า ถ้เราชอบสีฟ้าเราก็มาคุยเรื่องสีฟ้าถ้าเราชอบสีเขียวเราก็มาพูดเรื่องสีเขียวกันถ้าพูดเรื่องที่เราชอบมีความเห็นตรงกันจะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันจะไม่นำไปสู่การฟวาขาฟันกันแต่ถ้าเราไปพูดในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันนี้ถ้าไม่ระวังก็อาจจะสามารถนำพาไปสู่การฆ่าฟันกันได้ นี่คือการพูดที่ฉลาดและไม่ฉลาดการพูดที่ไม่ฉลาดก็คือการพูดปดการพูดคำายากคำพูดเพ้อเจ้อคำพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกสามัคคีอย่าพูดแบบนี้ให้พูดความจริงให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพให้พูดด้วยเหตุด้วยผลให้พูดแล้วเกิดมีความรู้ขึ้นมา จากการได้ฟังและให้พูดเพื่อให้มีความลักความสามัคคีกันนี่คือเรื่องของอกุศลทางวาจาส่วนอกุศลทางใจก็มีอยู่สามคือหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลงสามตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วจะพาให้ไปสู่การกระทําที่เสียหาย เวลาเกิดความโลภอยากได้อะไรพอไม่มีความสามารถจะหามาได้โดยวิธีที่ถูกกฎหมายหรือถูกศีลธรรมก็จะไปทำโดยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเวลาได้อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะโกรธ ก, ก็จะพาให้ไปสู่การด่าผู้อื่นหรือไปทำร้ายผู้อื่นผู้ที่ทำให้เราไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการได้ ส่วนความหลงนี้ก็เกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่พระพุทธเจ้าเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความสุขนี้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของความสุขอันยิ่งใหญ่ อย่าไปหาความสุขนอกใจเพราะความสุขนอกใจนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราหามาได้มันจะต้องมีวันหมดไปมีวันจะต้องจากเราไปเวลาของที่เราได้มาจากเราไปแทนที่เราจะมีความสุขเราก็จะกลับมีความทุกข์กันดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขที่แท้จริงต้องมาหาความสุขที่ใจ ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการมาอยู่วัดมารักษาศีลแปมานั่งสมาธิมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้วจะมีความสุขยิ่ยงกว่าถูกอรอตรี่รางวัลที่หนึ่งซะอีกเช่นวันสองวันนี้จะมีวันออกอรอตรี่กัน อย่าเอาเงินไปซื้อเลยเอาเงินมาทำบุญมาอยู่วัดมานั่งสมาธิกันดีกว่าเวลาใจสงบนี้จะสุขยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่เสอีกไม่เชื่อลองทำดูเพราะพุทธเจ้าไม่เคยซื้อลอตเตอรี่พระอาหารหันตสาวกไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เพราะอะไรเพราะท่านมีความสุขจากความสงบท่านรู้ว่าความสุขที่จากการได้ถูกลอตเตอรี่นี้มันเป็นความทุกข์ พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ใช้หมดหมดแล้วก็ทุกหรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวคนอื่นมาขอก็ทุกอีกถ้าไม่มีก็ไม่มีใครมาขอเงินเราพอเขารู้ว่าเราถูกคอเตอรี่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาขอเงินถ้าไม่ให้เขาเขาก็ด่าเราเขาก็ว่าเราอย่างนั้นอย่าไปถูกคอเตอรี่ดีกว่ามาทําใจให้สงบดีกว่า ถ้ายัางไปซื้อลอตเตรอยู่ก็แสดงว่ายังมีความหลงอยู่เมื่อมีความหลงก็จะมีความโลภเมื่อมีความโลภ ก, ก็จะมีความโกรธเมื่อมีความโลภมีความโกรธก็จะมีการไปทำบาปต่อไปเมื่อทำบาปแล้วก็จะต้องไปรับผลบาปเวลาตายดังนั้นถ้าไม่อยากจะไปรับผลบาปก็พยายามอย่างโง่พยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ลรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพอใจเราสงบแล้วเราจะหายง่วงเราจะรู้ว่าอ๋อไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต่อจากนั้นเราจะไม่โลภเราจะไม่โกรธเมื่อเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนะเราก็จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า นี่คือเรื่องของการชำระอกุศลสิบ ป, ประการที่จะมีแต่ทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความเจริญโดยถ่ายเดียวถ้าไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รับโทษเราก็จะได้รับความทุกข์เราก็จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความหยุดพ้นจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศัะตนาราและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็วภาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ